วันนี้เป็นวันเสาร์ที่6สิงหาคมพุทธศักราช2565เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้มีเวลาว่าง จากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปการที่เราจะศึ ก, ศกษาปฏิบัติ ระดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้เราต้องมาทำความรู้จักกับพระพุทธศาสนากันก่อดว่าพระพุทธศาสนานี้ <c oughs> มีเนื้อหาสาระหรือแก่นของศาสนานี้คืออะไรอะไรที่เป็นตัวที่ทำให้ พระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาที่ไม่มีเหมือนกับศาสนาอื่นสิ่งที่พระพุทธศาสนานี้มีที่ไม่มีในศาสนาอื่นก็คือพระอริยสัจสี่อริยสัจแปลว่าความจริงที่วิเศษสี่ข้อด้วยกัน นความจริงที่ไม่มีใครในโลกนี้สามารถรู้ได้ด้วยตนเองมีเพียงบุคคลเดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะเข้าถึงรู้เห็นความจริงทั้งสี่ประการอันนี้ได้ด้วยตนเองบุคคลนั้นก็คือพระอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานี้เองล้าเมื่อพระองค์ได้ทรง ได้เข้าถึงได้เห็นได้พบกับความจริงอันวิเศษสี่ประการนี้พระองค์ก็เลยนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นเมื่อผู้อื่นได้ยินได้ฟังก็เกิดศรัทธาน้อมนำมาไปปฏิบัติจนสามารถที่จะทำให้จิตใจของตน ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้แล้วก็จะเอาความรู้อันนี้ได้ไปเผยแปล่ให้แก่ผู้อีกท่อนหนึ่งจนมีผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสที่จะศึกษาปฏิบัติตามความจริงทั้งสี่ประการนี้จึงทำให้ปรากฏเป็นกลุ่มของผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติ ขึ้นมาที่เรียกกันว่าพุทธศาสนิกชนเองก็คือผู้ที่มีความเชื่อมีความศรัทธาในคำสั่งคำสอนของพระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตัดสรู้พระอริยสัจสีได้ด้วยตนเองความรู้คือพระอริยสัจสีนี้ เป็นความรู้ที่วิเศษจริงๆไม่เหมือนกับความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวิชาใดความรู้ชนิดใดก็าตามยังไม่ถือว่าเป็นความรู้ที่วิเศษเพราะว่าไม่สามารถทําให้ผู้ที่เยนรู้ได้นั้น หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้นั่นเองต่อให้เรียนจบระดับปริญญาเอกไม่ว่าจะเป็นวิชาสาขาแขนงใดก็ตามจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกก็ตามความรู้ที่ได้เรียนรู้ได้จบมานี้เช่นไปจบ PhD จาก Oxford c a m b r คม g ริหรือจาก h a r เว r d ์จาก MIT ความรู้ที่ได้เรียนรู้มานั้นไม่ถือว่าเป็นความรู้ที่วิเศษเพราะยังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในหัวใจของผู้ได้เรียนสำเร็จมาให้ให้หมดสิ้นไปได้คนที่เรียนจบปริญญาเอกได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่ ยังต้องมีความเศร้าโศกเสียใจยังต้องมีความวิตกกังวลหวาดกลัวห่วงใ ย, ยเครียดกับสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีในโลกนี้ดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นความรู้ที่วิเศษไม่ได้ถือว่าเป็นอริยสัจไม่เหมือนกับความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั้ได้ค้นพบ ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติจนสามารถทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้อันนี้แหละท่านถึงเรียกว่าอาริยะอริยะแปลว่าประเสริฐหรือวิเศษนั่นเองเป็นความรู้ที่วิเศษที่แท้จริงไม่มีความรู้อันใดในโลกนี้สามารถเรียกว่าเป็นความรู้ที่วิเศษได้ถ้าความรู้นั้นยังไม่สามารถ ที่จะกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของผู้ศึกษาให้หมดสิ้นไปจากใจได้นี่แหละคือคุณสมบัติเนื้อคุณลักษณ์ของพุทธศาสนาที่มีคนถามว่าอะไรคือหัวใจของพระพุทธศาสนาอะไรคือเนื้อของศาสนาอะไรคือแก่นของพระพุทธศาสนา ก็ต้องตอบว่าพระอริยสัจสีนี่ที่เป็นแก่นเป็นหัวใจเป็นเนื้อของพระศาสนาอย่างแท้จริงถ้าปราศจากพระอริยสัจสี่แล้วคาสอนนั้นจะไม่ได้เป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาจะเรียกคำสอนนั้นว่าเป็นพระพุทธศาสนาไม่ได้พระพุทธศาสนานี้มีสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่ไม่เหมือนใคร คือสอนเรื่องอริยสัจสี่พุทธศาสนิกชนก็เช่นเดียวกันจะถือว่าตันเองพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริงไม่ได้ถ้าไม่รู้จักอริยสัจสี่ว่าเป็นอย่างไรและไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระอาริยสัจสี่ได้มีการ กำหนดไว้เพราะพระริยศัสรีร่นี้นอกจากรู้แล้วยังต้องมีการกระทาตามความรู้ที่ได้เรียนรู้ด้วยดูแล้วต้องเอาไปปฏิบัติเพราะเพียงแต่รู้อย่างเดียวนี้ยังไม่ทำให้เกิดผลขึ้นมาเหมือนจากรู้วิธีทำกับข้าวกับปลารู้จักวิธีทำอาหารจานเด็ด แต่ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำกับข้าวจานเด็ดอันนั้นกับข้าวจานเด็ดก็ยังปรากฏขึ้นมาไม่ได้ฉนันใดความรู้ในพระอริยสัจสี่ก็เช่นเดียวกันเบื้องต้นต้องรู้ว่าพระอริยสัจสี่คืออะไรแล้วเมื่อรู้แล้วจำเป็นต้องรู้ขั้นต่อไปว่าแล้วจะทำอย่างไรเึงทํทำให้พระอริยสัจสี่นี้ มากำจัดความทุกข์ใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้นันเรื่องของพระอริยสั์สี่นี้จึงมีสองขั้นตอนด้วยกันสองระดับด้วยกันระดับเรียนรู้แล้วเราก็ระดับปฏิบัติการขั้นแรกเราก็จะมาทำความรู้จักพระอริยสัจสี่ก่อนความจริงสี่วิเศษสี่ข้อนี้มีอะไรบ้าง ข้อที่หนึ่งท่านเรียกว่าทุกข์ความทุกข์นี้เป็นความจริงที่ไม่ว่าใครก็ตามที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้ไม่ว่าจะอยู่ในภพใดภูมิใดจะอยู่ภพของมนุษย์ภพของเทวดาภพของพรหมหรือภพของเดรัจฉานภพของเปรตภพของอสุรกายภพของนรกนี้ ดวงจิตดวงใจทุกดวงที่เกิดในภพต่างๆนี้ล้วนจะต้องเจอกับความทุกข์ท้งนั้นโดยเฉพาะภพของมนุษย์นี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความทุกข์ที่มีอยู่ในภพของมนุษย์นี้คืออะไรบ้างก็คือหนึ่งความทุกข์ที่เกิดจากความเกิดนี่เกิดแล้วต้องทุกข์เกิดแล้วก็ต้อง มีการดิ้นรนต่อสู้เพื่อรักษาร่างกายรักษาชีวิตนี้ให้ดำลงอยู่ต่อไปได้อย่างเด็กพอคลอดออกมาปับก็ร้องทันทีร้องเพราะขาดลมหายใจไม่เคยหายใจเองจึงต้องมีการกระตุ้นให้หายใจเองแล้วก็ต้องพยายามหายใจไปเรื่อยๆถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็จะเกิดความตายขึ้นมาทันที เน่อกจากหายใจแล้วก็ต้องคอยหาอาหารคอยหาน้ำหาสิ่งต่างๆปัจจัยสี่มาคอยเยียวยามาคอยดูแลบำรุงรักษาร่างกายนี้ให้อยู่ต่อไปได้นี่คือทุกประการแรกที่เกิดที่มาจากกับการเกิดคือต้องมีการ ดูแลเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็มีทุกข์ที่เกิดจากภัยต่างๆภัยที่จะมาทําลายมาเบียดเบียนร่างกายไม่ว่าจะเป็นภัยทางธรรมชาติก็ดีภัยจากสัตว์ร้ายต่างๆก็ดีภัยจากเชื้อโรคต่างๆก็ดีภัยจากอุบัติเหตุต่างๆก็ดีอันนี้ก็เป็นการ ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา น, นี่คือเบื้องต้นการเกิดนี้พระเจ้าบอกว่าเป็นทุกข์กันแต่ถ้าเป็นปูถุชนธรรมดาผู้ที่ไม่เคยได้คิดพิจารณาถึงความจริงเรื่องเหล่านี้ก็จะไปคิดว่าการเกิดนี้เป็นความสุขเราจึงมักฉลองวันเกิดกันหรือเวลาใครคลอดลูกออกมานี้ จะต้องไปแสดงความยินดีกับเขาว่าขอแสดงความยินดีกับการเกิดของลูกของคุณไม่ทราบว่าแสดงความยินดีเพราะเขาจะได้มาเจอกับความทุกข์ต่างๆหรือว่าเขาเกิดมาแล้วเขาจะมีแต่ความสุขถ้าคิดว่าเขาเกิดมาแล้วจะมีแต่ความสุขอันนี้ก็แสดงว่ามองไม่เห็นอริยสัจสี่ไม่เข้าใจอริยาาสัจสไม่เข้าใจความทุกข์ ที่มีกับการเกิดถ้าพิจารณาลึกๆแล้วก็จะเห็นว่าน่าสงสารเด็กคนนี้เหลือเกินที่ออกมาจากท้องแม่แล้วต่อไปเขาจะต้องฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆต่อสู้กับภัยต่างๆเพื่อปกป้องรักษาชีวิตของเขาไว้เป็นการความทุกข์อย่างหนึ่งไม่ใช่เป็นความสุขการที่ดิ้นรนต่อสู้ เพื่อหาสิ่งต่างๆมาบำรุงรักษาดูแลร่างกายให้อยู่ไปได้ในแต่ละวันนี้เรียกว่าเป็นความทุกข์อย่างึ่งแล้วก็นอกจากนั้นเมื่อร่างกายอยู่เป็น า, านๆานเข้าก็ต้องเข้าสู่วัยชราก็คือความแก่ความแก่ก็เป็นความทุกข์อีกอย่างเลย พอเวลาน่างกายแก่นี้ร่างกายจะไม่สมประกอบจะทําอะไรไม่ค่อยสะดวกแล้วก็จะมีอาการเจ็บปวดไปทั่วสพางกายตามอวัยวะต่างๆถ้าเป็นมากๆก็เรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมะาเกิดก็ทุกข์พอแก่ก็ทุกข์พอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์ พอจะตายก็ทุกข์เพราะไม่มีใครอยากตายกันมีแต่อยากจะอยู่ไปตลอดไม่มีวันตายกันแต่มันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ mm. เช่นร่างกายของมนุษย์หรือของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย mm. เมื่อมีการเกิดแล้วย่อมมีความแก่ มีความเจ็บมีความตายกันทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่พุธสศาสนิกชนควรจะศึกษาทำความเข้าใจให้รู้ว่าทุกข์คืออะไรทุกข์คือการเกิดทุกข์คือการแก่ทุกข์คือการเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์คือการตายทุกข์คือการพัดพากจากบุคคลที่เราลักจากสิ่งที่เราลัก ทุกเกิดจากการประสบกับสิ่งที่เราไม่ชอบและทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในชีวิตในร่างกายและจิตใจของเรานี่เองนี่คือเป็นเรื่องของความทุกข์เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิจารณาและค้นพบแล้วก็ทรงได้พบกับ อริยศาสต์ข้อที่สองความจริงที่วิเศษที่ข้อที่สองก็คือสาเหตุที่นํามาให้มีการมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันในภพต่างๆก็เกิดจากสมุทัยสมุทายนี้แปลว่าเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์เหตุที่ทําให้เกิดการเกิดการแก่ การเจ็บการตายนี่อะไรเป็นเหตุที่ทําให้พวกเรามาเกิดกันเหตุที่ทําให้พวกเรามาเกิดนั้นมีอยู่สามเหตุด้วยกันเพราะภพที่เราจะไปเกิดนี้มีอยู่สามภพที่เราเรียกว่าไตรภพไตรภพนี้ประกอบด้วยสามภพใหญ่ๆคือกามะภพรูปภพและอรูปภพ นี่คือพบต่างๆที่จิตใจที่มีสมุทัยพาให้ไปเกิดกันเหตุที่พาให้มาเกิดในกามาพบก็คือกามตัณหาการะหรือกามนี้เรียกคือกามคุณห้ากามคุณห้าได้แก่อะไรกามคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะ คือสัมผัสต่างๆที่มาสัมผัสกับร่างกายเช่นความเย็นความร้อนความแข็งความนุ่มความเปียกความแห้งที่มาสัมผัสกับร่างกายนี้เราเรียกว่าผลทัพะส่วนรูปเสียงกลิ่นรสนี่เราคงจะเข้าใจกันรูปก็คือสิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาของเรา ไม่ว่าจะเป็นรูปหญิงรูปชายรูปต้นไม้รูปภูเขารูป น, ำนำํนาน้ำลำธารรูปบ้านรูปถนนรูปรถยนต์เหล่านี้เรียกว่ารูปสิ่งใดที่เห็นด้วยตานี้เรียกว่ารูปสิ่งใดที่ได้ยินด้วยหูเรียกว่าเสียงเสียงต่างๆเช่นตอนนี้เสียงธรรมที่ญาติโยมกําลังได้ยินอยู่นี้ก็เป็นเสียงแล้วก็ กนก็ทีสิ่งที่เราสัมผัสด้วยจมูกของเรามีกลิ่นหอมกลิ่นไม่หอมเป็นต้นแล้วก็รสก็มีรสชาติต่างๆที่เราเวลารับประทานของเข้าไปก็มักจะมีรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มรสจืดรสมันเป็นต้นเรียกว่ารสพุทัพพะก็คือสัมผัสที่ได้อธิบายเอาไวา้แล้ว ความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพานี้เรียกว่ากามตัณหาความยินดีในกามคุณทั้งห้าเมื่อเรามีความยินดีเรามีความอยากได้เสษ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดสพะพานเราก็จําเป็นที่จะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือเราผู้เสษนี้คือไข่เราผู้เสษนี้คือใจ ใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาขณะที่อยู่ตามนำพังไม่มีร่างกายเราก็เรียกใจนี้ว่ากายทิพย์บ้างเรียกว่าดวงวิญญาณบ้างนี่แหละคือใจของพวกเราทุกคนใจผู้รู้ผู้คิดพอเวลามาได้ร่างกายเราก็เรียกกายทิพย์นะว่าจิตใจผู้รู้ผู้คิด จิตใจจําเป็นจะต้องมีร่างกายเพราะจิตใจจะได้ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายเป็นเครื่องมือพาไปเสดรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะชนิดต่างๆนั่นเองเพราะเวลาใจนี้ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเศจใจจะทุกข์ใจจะไม่มีความสุขใจจึงต้องดิ้นหารูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะ เวลาที่ไม่มีร่างกายใจก็หารูปเสียงกลิ่นรสผุดทะพะที่มีอยู่ภายในใจคือความจำรูปเสียงกลิ่นรสผุดทะพะชนิดต่างๆที่เคยได้ไปสัมผัสรับรู้แล้วเอามาผสมปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเราเรียกเรื่องราวเหล่านี้ว่าความฝันนั่นเองเช่นเวลาที่เรานอนหลับ ร่างกายไม่ทำงานเราไม่สามารถใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไปรับรูปเสียงกลิ่นรสผดฉพาะได้ใจที่ยังหิวโหยกับความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดฉพาะก็จะอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผดฉพพะที่ได้ไปไปเสดไปสัมผัสมาในอดีตเอามาผสมปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาใหม่ ตายเป็นความฝันนั่นเองแล้วก็จะเป็นเรื่องฝันดีบ้างฝันไม่ดีบ้างก็ขึ้นอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพ์ที่ได้ไปบันทึกเอาไว้ที่ไปได้สร้างเอาไว้นั้นเป็นรูปเสียงกลิ่นรสแบบไหนถ้ารูปเสียงกลิ่นรสแบบให้ความสุขก็จะฝันดีถ้ารูปเสียงกลิ่นรสผลธภัที่ให้ความทุกข์ก็จะฝันร้าย เวลาที่เราไปทำความดีไปทำบุญนี้เราไปสร้างรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่มีความสุขฝังไว้ในใจเราเวลาที่เราไปทำบาปเราไปสร้างรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่ที่มีแต่ความทุกข์เก็บบันทึกไว้ในใจเราพอเวลาที่เราไม่มีร่างกายหรือเวลาที่ร่างกายพักผ่อนเช่นเวลาหลับนอน หรือเวลาร่างกายตายไปใจก็ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสผทพธพะที่ได้ไปบันทึกเอาไว้ที่ได้ไปกระทำและบันทึกเอาไว้มาสร้างเป็นเรื่องเป็นราวให้เสบต่อไปนั่นเองเราจึงเรียกรูปเสียงกลิ่นรสผทพธพะที่เป็นสุขนี้ว่าสวรรค์และรูปเสียงกลิ่นรสผทพธพะที่เป็นทุกข์นี้เราเรียกว่าอบาย นี่คือในขณะที่เราไม่ได้ใช้ร่างกายกันเวลาที่ร่างกายนอนหลับหรือเวลาที่ร่างกายตายไปนี้ใจของเราก็จะอาศัยบุญและบาปที่เราได้ทำเอาไวน้นี้มาผลิตเรื่องราวต่างๆให้เราได้เสพได้สัมผัสถ้าได้บันทึกเรื่องบุญเอาไว้ก็จะได้เสพเรื่องที่มีแต่ความสุขใจที่เสพหรือดวงวิญญาณที่เสพ บุญก็เรียกว่าเทวดาหรือสวรรค์เองส่วนใจที่เสพทุกข์เสพบาปบาป ท, ที่ได้ทำเอาไว้ก็เรียกว่าอบายเป็นดวงวิญญาณของเปรตบ้างดวงวิญญาณของอสุรกายบ้างเป็นดวงวิญญาณของนรกบ้างหรือถ้าได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดระฉาน นี่คือใจที่ยังมีกามาตันหาอยู่ยังมีความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสอยู่ในขณะที่ไม่มีร่างกายเช่นเวลาตายไปก็จะอาศัยการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสที่เกิดจากการทำบุญหรือทาบาสนี้เสพไปก่อนจนกว่ามันจะหมดกำลังจนกว่าบุญหรือบาปที่ได้สะสมไว้มันหมด จึงจะไปรอรับร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้อาศัยร่างกายอันใหม่อาศัยตาหูจมูกนิ้นกายของร่างกายอันใหม่นี้มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเสพรูปเสียงกลิ่นรสผุดธภาันใหม่นั่นเองงั้นพวกเราทุกคนนี้ถ้ายังมีกา마ตานหาอยู่เวลาเรามาเกิดเราก็จะเกิดได้องสองอย่างเกิดเป็นมนุษย์ หรือเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นก็เป็นเพราะว่าบาปที่เราได้ทำไว้มันยังมีกำลังอยู่มันจึงดึงให้เราไปเกิดเป็นเดรัจฉานได้แต่ถ้าบาปมันหมดกำลังบุญก็หมดกำลังบุญหมดกำลังที่จะให้เราได้เป็นเทพบาปก็หมดกาลังที่จะให้เราเป็นเดรัจฉานหรือเป็นเปรต ตอนนั้นเราก็จะได้มารอรับร่างกายของมนุษย์กันมาแล้วพอเราเกิดมาออกมาจากท้องแม่เราก็จะเริ่มเสมรูปเสียงกลิ่นรสผดผะทันทีสังเกตดูแม้แต่ทารกบางทีร่างกายเขาเป็นปกติเขากินอิ่มนอนหลับแต่บางทีเขาก็ร้องขึ้นมาเพราะใจเขาหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสจึงต้องมีของเล่นมาให้เด็กดูกัน ม า, มาของพอเด็กมีของเล่นได้ดูได้ยินได้ฟังขึ้นมาก็มีความเพิดเพลินก็ระงับการงองแงร้องไห้ไว้ชั่วข่าวนี่คือผลที่เกิดจากการมีการมาตัญหาคือความอยากเสพกามนี้จึงทำให้ดวงวิญญาณที่ตายไปแล้วนี้จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ ก่อนจะเป็นมนุษย์ก็อาจจะไปเป็นกายทิพย์ชนิดต่างๆขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่ได้ทำไว้ถ้าบุญดีมากมีกำลังมากกว่าบาปก็จะให้เป็นกายทิพย์ที่เป็นสวรรค์เป็นเทพระดับต่างๆแล้วก็ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็จะทำให้ดวงวิญญาณนั้นเจ็บความทุกข์ ที่เกิดจากการกระทาบาปทำให้เป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นนรกบ้างขึ้นมานี่คือพบในกามภพบการมภพบนี้แบ่งไว้หลายหลายชนิดด้วยกันมีส่วนที่เป็นสุกคติคือส่วนที่ผลิตแต่ความสุขให้กับใจและส่วนที่เป็นทุกขติส่วนที่ผลิตความทุกขให้กับใจ แล้วที่อยู่ระหว่างกลางของสุคติกับทุคตินี้ก็คือภพมนุษย์นี่คือภพที่พวกเรามาเกิดกันนี้เพราะภพของมนุษย์นี่แหละเป็นภพที่จะมาสร้างบุญสร้างบาป ก, กันทำไมเราจึงมาสร้างบุญสร้างบาป ก, กันก็เพราะบางทีเวลาที่เราอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆบางทีเราไม่สามารถเสพได้โดยวิธีไม่ทาบาป เราก็ไปทำบาป ก, กันนั่นเองส่วนการทำบุญนี้เราทำก็เพราะว่าบางทีเราเห็นว่าเรามีอะไรที่มากกว่าที่เราจาเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้แล้วเห็นว่าถ้าเราเอาไปให้คนอื่นไปช่วยเหลือคนอื่นมันทำให้เขามีความสุขแล้วมันก็ทำให้เรามีความสุขด้วยอันนี้ก็เป็นการเสริมอย่างหนึ่งเหมือนกัน แต่เป็นการเสรด้วยการทำบุญเราจึงมีการทำบุญบ้างมีการทำบาปบ้างแล้วแต่กรณีแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะพาไปจึงทำให้เราสะสมมีทั้งบุญมีสะสมทั้งบาปพอเวลาร่างกายตายไปบุญและบาปที่เราได้สะสมไว้มันก็จะเป็นตัวชี้ว่าเราจะได้ได้ไปสวรรค์หรือไปอบาย ถ้าบุญมากกว่าบาปก็จะไปสวรรค์ถ้าบาปมากกว่าบุญก็จะไปอบายแต่บุญและบาปที่ได้ไปเสพนั้นในที่สุดมันก็จะบมดลงลดลงมาเท่ากับบาปที่ได้ทำไว้พอบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันก็ไม่สามารถไปสวรรค์หรือไปอบายได้ก็จะมาเป็นมนุษย์นั่นเอง ออมาเป็นมนุษย์เราก็จะมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสกันนทุกวันนี้เราทำมาหากินนี้ก็เพื่อประโยชน์สองอย่างประโยชน์อย่างแรกก็เพื่อเลี้ยงดูร่างกายของเราเครื่องมือของเราเรารู้ว่าร่างกายนี้เป็นของสำคัญมากเพราะเวลาเราอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะชนิดต่างๆนี้เราต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตาหูจมต้องดี ตาไม่บอดหูไม่หนวกเป็นต้นเราจึงต้องเลี้ยงดูร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องรีบไปรักษาให้หายเพราะเราต้องการใช้ตาหูจมูกนิ้นกายของน่างกายไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผพภพชนิดต่างๆนั่นเองเช่นหลังจากเวลาเราทา ง, งานแล้วเราก็จะไปมีเวลาว่างเราก็จะไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสกัน ไปกิ น, ไ ป, กนไปดื่กกันไปดูไปฟังอะไรกันไปเที่ยวไปเล่นอะไรกันต่างๆอันนี้เราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนี่คือทำไมเราจึงมาเกิดกันทำไมเราจึงมาเกิดเป็นมนุษย์กันเพราะสมุทยัยต้นเหตุของการเกิดนี้ก็คือกามตัณหานั่นเองความยินดีคือหรือความชอบความอยากเสพ รูปเสียงกิ่นรสพดทพะนี้เป็นเหตุที่พาให้เรามามีร่างกายมาเสกเพื่อจะได้เสกดูรูปเสียงกิ่นรสพดทพะกันนั่นเอง mm hmm. ส่วนอีกภพหนึ่งอีกสองภพนอกจากกามาภพแล้วยังมีการไปเกิดในรูปภพและอรูปภพด้วยรูปภพนี้เป็นภพของพวกพรหม mm hmm. เป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขมากกว่าพวกเทพพวกเทพนี้ ยังเสพกามอยู่ยังเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะอยู่แต่พวกพรหมนี้เขาเสพความสุขจากความสงบของใจคือเสพรูปประชานนั่นเองเขาถึงมีชื่อว่ารูปประพรมผู้ที่ได้นั่งสมาธิสามารถเข้าสู่รูปประชานระลับต่างๆได้ก็จะไปเกิดเป็นรูปประรมกันเป็นภพที่สองที่มีความสุขมากกว่าการมาภพ แล้ยังมีภพที่สามที่มีความสุขมากกว่ารูปภพเอกก็เรียกว่าอารูปภพอรูปภพก็คือภพของผู้ที่เสพอรูปประฌานนั่นเองผู้ที่มีความยินดีหาความสุขกับอรูปประฌานคือเข้าฌานที่ลึกกว่ารูปประฌานฌ mm hmm. านคือความสงบของใจนี้มีอยู่สองระดับมีความสงบมีความลึกมากน้อยต่างกัน รูปฌานนี้สงบแต่เล็กไม่เท่ากับความสงบของอรูปฌานก่อนที่จะเข้าถึงอรูปฌานได้นี้ต้องผ่านรูปฌานก่อนต้องเข้าสู่ฌานหนึ่งฌาน2ฌานสามฌาน4ี่ก่อนหลังจากได้รูปฌานสี่แล้วถึงสามารถก้าวเข้าสู่ฌานที่ห้าหรืออรูปฌานที่หนึ่งได้แล้วก็สามารถก้าวต่อไป เข้าไปถึงอรูปฌปานขั้นที่ขั้นที่สี่ได้และสูงสุดก็คือนิโรธสมาบัติได้ก็มีผู้ที่เสพหาความสุขแบบนี้คือพวกพวกฤาษีชีพไพรต่างๆพวกที่ไปอยู่แบบนักบวชพวกนี้เขาไม่เสพกลางเขาไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพระเพราะเขาเห็นว่ามันยากมันยากกว่าการเสพรูปฌปานอารูปฌปาน ความสุขที่ได้จากการมาสุขก็สู้ความสุขที่ได้จากความสุขของรูปฌานและอรูปฌานไม่ได้นี่คือที่มาของไตรภพบกามาพบรูปภพบและอรูปภพบผู้ที่เสพกามก็ไปเกิดในการมาพบอย่างพวกเรานี้ถือว่าเป็นพวกเสพกามหรืออาจจะเป็นพวกเสพรูปภพบอรูเสพรูปฌานหรืออรูปฌานก็ได้ ถ้าเราถือศีลแปลเป็นนักบวชกันเราไม่เสพเราไม่หาแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราแสวงหาความสุขจากการเข้าฌานขั้นต่างๆก็ถือว่าเร า, เาจะเป็นพวกรูปประภมหรืออรูปประภมกันเวลาไม่มีร่างกายใจก็ยังอยู่ในรูปประภมหรืออรูประภมแต่ ทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะอยู่ในภพใดก็าตามอารูปภพหรือรูปภพหรือก า, มอารมาภพเหตุที่พาให้ได้ไปเกิดในภพต่างๆเหล่านี้มันก็มีวันเสื่อมมีวันหมดได้พอฌานที่ส่งให้ไปเกิดในอรูปภพหรือรูรปภพเสื่อมลงกลับมาเป็นจิตปกติมันก็จะพาให้มาเกิดมามีร่างกายอันใหม่ ผู้ที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี้จะมีร่างมีจิตที่เป็นปกติไม่สูงไม่ต่ำไม่ตอนนั้นบุญหรือบาปหรือรูปประชานหรืออรูปประชานนี้ไม่มีกำลังที่จะดึงให้ไปอยู่ในภพใดภพหนึ่งจึงต้องกลับมาสร้างกันใหม่ผู้ที่เสกกามก็มาเกิดแล้วก็มาเสกกรมกันมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นโลภโภชภะชนิดต่าง ผู้ที่เสบรูปประชานก็จะกลับมาเป็นนักบวชกันอรูปประชานก็เช่นเดียวกันเพราะว่าเมื่อเคยทําอะไรแล้วมันจะติดเป็นนิสัยมาเคยเสกกรรมมันก็จะกลับมาเสกกรรมเคยเสบรูปประชานก็จะกลับมาเสบรูปประชานมาสร้างรูปประชานขึ้นมาใหม่เคยเสบรูปประชานก็จะกลับมาเสอรูปประช า, มามนใหม่มันจึงมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทั้ง ทั้งสามภพนี้ไม่ว่าจะไปอยู่ภพใดเมื่อภพเหล่านั้นเสื่อมลงก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กันทุกคนแล้วเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องมาเจอกับความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองถ้าไม่อยากที่จะเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องอย่ามาเกิด และการที่จะทำให้ไม่มาเกิดได้ก็ต้องหยุดเสดหยุดหยุดกามาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาที่เป็นเหตุที่พาให้ไปเกิดในสามภพนั่นเองละกามะตัญหาได้ก็จะไม่กลับมาเกิดในกามาภพละภาวะตัญหาได้ก็จะไม่กลับมาเกิดไม่เกิดในรูปในรูปภพ และวิภาวะตัณหาได้ก็จะไม่ไปเกิดในอรูปภพผู้ที่ละปัญหาทั้งสามได้ก็จะไปอยู่ที่พระ น, นิพพานแทนพระนิพพานเป็นที่อยู่ของผู้ที่ไม่มีตัณหาความอยากทั้งสามนี้แล้วคือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายการที่จะทำให้ใจนี้เป็นนิพพานได้อันนี้เราก็การเป็นนิพพานก็คือ การหมดทุกนี้เองทุกหบทเราก็เรียกว่านิพานจิตที่ไม่มีความทุกข์ก็เรียกว่านิพานในอริยสัจสี่ก็คืออริยสัจสี่ข้อที่สามที่เราเรียกว่านิโรดนิโรดก็คือการสิ้นทุกข์การหมดทุกข์นั่นเองการหมดทุกข์นี้ก็เป็นความความจริงที่วิเศษข้อหนึ่งเป็นความจริงที่วิเศษที่สุดก็ว่าได้เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ที่ปฏิ ผู้ที่ไม่ต้องการความทุกนี้ปรารถนามากที่สุดคือการสิ้นทุกขการหมดทุกนี่เองนี่เป็นอริยสัจข้อที่สและเหตุที่จะทําให้อริยสัจข้อที่สปรากฏขึ้นมาได้คืออริยสัจข้อที่สที่เราเรียกว่ามรคมรคคือทางสู่การสิ้นทุกนั่นเองถ้าเราพบทางนี้แล้วเราเดินทางนี้ได้เราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทาง คือการสิ้นทุกข์เ<ม>ช่นตอนนี้ถ้าเราอยากจะไปกรุงเทพถ้าเราไปพบกับทางด่วนที่พาให้เราไปกรุงเทพถ้าเราขึ้นทางด่วนนั้นได้แล้วเราขับรถไปตามทางด่วนเดี๋ยวเราก็ไปถึงจุดหมายปลายทางก็คือกรุงเทพ ม, มักก็คือทางด่วนนี่ทางที่จะพาให้เราไปสู่นิโรธคือการสิ้นทุกข์หรือพระนิพพาน การสิ้นทุกนี้คือพระนิพพานอาริยสัจข้อที่สามการสิ้นทุกจะสิ้นทุกได้ก็ต้องมีอริยสัจข้อที่สี่นำทางคือต้องมีทางไปทางที่จะพาให้เราไปสู่นิโรธก็คือมรรคงนั้นถ้าเราไม่มีมรรคสิ่งที่เราต้องทำก็คือจเจริญมรรคกันนี่มาถึงขั้นตอนของการเรียนรู้ ตอนเริ่ง ต, ต้นให้เรารู้อริยสัจ4ี่4ี่ข้อว่ามีคุณลักษณะอย่างไรทุกเป็นอย่างไรสมุทัยเป็นอย่างไรนิโรธเป็นอย่างไรและมรรคเป็นอย่างไรมรรคที่จะพาให้เราไปสู่การสิ้นสุดของทุกนี้ก็คือการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาแล้วแต่สถานภาพของเรา ถ้าเรายังเป็นผู้ครองเรือนอยู่ยังมีการใช้เงินทองเพื่อดับความทุกข์ต่างๆอยู่เราก็ต้องรู้จักใช้เงินทองไปใช้ดับทุกข์ที่ถูกวิธีส่วนใหญ่เราจะหลงกันใช้เงินทองดับทุกข์ที่ไม่ได้ดับทุกข์อย่างแท้จริงที่ดับทุกข์ได้เพียงชั่วคราวก็คือการใช้เงินทองไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเอง เมื่อเราใช้เงินทองไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสเช่นไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันแทนที่จะทำให้ทุกข์ดับมันกลับทำให้ทุกข์มีมากขึ้นเพราะว่าการเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็คือต้อนเหตุของความทุกข์นั่นเองกามาตัญหาเพราะเรายิ่งเสพรูปเสียงกลิ่นรสมากเท่าไหร่เรายิ่งติดมากขึ้นเท่านั้นยิ่งอยากจะเสพมากขึ้นเท่านั้นไม่ได้ทาให้การอยากเสพมันน้อยลง วิธีที่จะทําให้การแยบเสพรวบเสียงกลิ่นลดให้มันน้อยลงก็คือต้องไม่เสพมันทุกครั้งที่เราอยากจะเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดืม่มเราก็เอาเงินไปทําบุญทําทานแทนนี่คือมักเราต้องกําจัดต้นเหตุที่จะพาให้เรามาเกิดให้ได้คือเราต้องละสมุ ท, ทยัยสมุทัยเราต้องละนี่เป็นที่มาของ ของการกระทำของการปฏิบัติเรียกว่ากิจในพระอริยสัจสี่เมื่อเรารู้จักทุกขสมุทัยนิโรธมากแล้วว่าเป็นอย่างไรขั้นต่อไปเราก็ต้องรู้ว่าแล้วเราจะต้องทำอย่างไรกับทุกขสมุทัยนิโรธมากพระพุทธเจ้าบอกว่าเราก็ต้องมีทำกิจในอริยสัจสี่สี่ข้อเช่นเดียวกันกิจข้อที่หนึ่งก็คือทุกข์นี้เราต้องศึกษา ต้องคอยจดจําคอยเตือนใจให้เราอย่าลืมว่าทุกคืออะไรเหมือนกับเวลาที่เราเดินไปชนต้นไม้อย่างเงี้ยเราต้องจําไว้ว่าต้นไม้มันอยู่ตรงนี้นะคราวต่อไปเวลาเดินมาใกล้ต้นไม้อย่าไปเดินเข้าหามันถ้าไม่เดินเข้าหามันก็จะไม่ชนต้นไม้แต่ถ้าเราไม่จําเดี๋ยวคราวหน้าเราเดินมาเดี๋ยวเราเผล อ, อกลับไปเดินชนต้นไม้ตท่า น, นั้นอีกหรือมีหลุมมีบอ่อตรงไหนเราเดินแล้ว ตกลงไปครั้งแรกเราต้องจำแล้วว่าหลุมบอ่อมันอยู่ตรงนั้นเช่นบางทีทางเท้าที่เราเดินนี้บางทีเทศบาลเขามาขุดบอ่อมาซ่อมท่อแล้วก็เปิดเปิดฝาท่อฝาบอ่อไว้ไม่ปิดเอาไว้เราเดินมาละมัวแต่ดูโทรศัพท์มือถือพอมาถึงจุดนั้นก็ตกลงไปในบอ่อในหลุมเจ็บตัวนั่นก็คือทุกข์เเจ็บตัวเพราะตกหลุมตกบอ่อ เนี่ยข่าวต่อไปเราต้องจําได้แล้วว่าวันพรุ่นี้เราเดินมาตรงจุดนี้เราต้องจําให้ตรงนี้กูเคยตกบ่อนะมันทุกข์นะต้องจําให้ได้ว่ามันทําให้เราทุกข์เพื่อเราจะได้ไม่ทําให้มันเป็นประวัติประวัติซ้ํารอยไม่ไม่ไมทุกข์ซ้ำซากกูยังไงเช่นเดียวกับการเกิดก็เหมือนกันเมื่อเรารู้แล้วว่าการเกิดนี้มันจะพาให้เรามาเจอกับความทุกข์ต่างๆมาเจอกับความทุกข ความแก่ความเจ็บความตายการพัดพากจากกันมาเจอกับภัยต่างๆมันเป็นความทุกข์นั้นคาวต่อไปนี่เราอยากกลับมาเกิดกันนะเข้ า, าใจไหมก็นะ อ, อยากกลับมาเกิดแล้วเราก็รู้ว่าการที่เราจะไม่กลับมาเกิดนี่เกิดจากอะไรเกิดจากความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่ถึงพาให้เรามามีร่างกายกั น, นก็มาเกิดข้อที่สอง เมื่อกิดข้อที่หนึ่งเรารู้แล้วเราจดจำได้แล้วว่าการเกิดเป็นทุกข์เกิดเพราะทุกข์เพราะเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างที่พวกเราเจอกันทุกวันนี้เรามีความทุกข์กันหรือไม่เรามีแต่เรามักจะจำกันไม่ได้เราลืมกันเรื่อราวอาจจะไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เลยก็ได้เราถึงไม่ได้มาจดจำกันเบื้องต้นนี้พระเจ้าสอนให้เราจดจากันมา เมื่อเกิดแล้วจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาและการแก่การเจ็บการตายนี้มันไม่มันไม่สุขเลยมันเป็นความทุกข์ถ้าไม่อยากจะมาเจอกับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเราก็ต้องไประ ง, งับต้นเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันต้นเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันก็คือสมุทยัยคือความอยากเช่นกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหา ดันกิจข้อที่สองคือเราต้องละสบุทไทยต้งละให้ได้ต้องอย่าอย่าไปส่งเสริมมันต้องตัดมันต้องหยุดมันให้ได้เรียกว่าละอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นแล้วก็ต้องละเช่นเรามีวันหยุดอาทิตย์หน้ามีวันหยุดสามวันบางวันบางคนก็เตรียมจองตัว๋วจองเครื่องบินกันละจองที่พักไปเที่ยวที่นั่นที่นี่กัน ถามตัวเองเมื่อเรากําลังทําอะไรแล้วกำลังละสมุทยัยหรือเรากําลังสนับสนุนสมุทยัยคือความอยากเสพการ์มแต่เราพิจารณาด้วยปัญญาเราก็เห็นว่าเรากําลังจะสนับสนุนการไปเสพการ์มเป็นการส่งเสริมให้สมุทัยมีกําลังมากขึ้นเพื่อที่จะได้ผลักดันให้เรากลับมาเกิดบ่อยขึ้นนั่นเองเราต้องคิดแบบนี้การไปเสพการ์มนี่เป็นการส่งเสริมการกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเราต้องฝืนมันต้องละมันให้ได้ วิธีที่ละมันให้ได้ก็คือเอาเงินที่เราจะไปใช้กับการไปเที่ยวนี้ไปทำบุญแทนหรือไปอยู่วัดแทนไปอยู่วัดไปไปปฏิบัติธรรมไปเจริญมรรคกันอันนี้คือทานหน้าที่ของทานถ้าเรายังต้องใช้เงินเพื่อซื้อความสุขต่างๆอยู่ให้เปลี่ยนเป็นการซื้อความสุขด้วยการทำบุญทาทานเพราะการทำบุญทาทานนี้ไม่ได้เป็นการส่งเสริมการเวียนว่ายตายเกิด แต่เป็นการลดละหรือตัดภพตัดชาติให้น้อยลงในระดับของฐานของเงินทองอันนี้คือถ้ายังมีเงินทองยังใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆอยู่เราต้องเปลี่ยนอย่าไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดเพราะมันเป็นการส่งเส ร, ริมกามาตัาหาส่งเสริมสมุทรไทยเอาเงินไปซื้อความสุขจากการทาบุญทาทานอันนี้เป็นการละสมุทรไยตามกิจในอริยสัจข้อที่สอง คือสมุทัยต้องละต้องละโดยการทําบุญทําทานแทนละด้วยการรักษาศีลเพราะการรักษาศีลนี้ก็จะห้ามการกระทําทางการมาตัญหาได้เช่นบางทีเราอยากจะประพฤติผิดประเวณีอย่างนี้ก็ทําไม่ได้เพราะเราถือศีลห้ากันหรือถ้าเราอยากจะลดมากกว่านั้นก็ถือศีลแปดกันไม่เสพกามเลยไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนเลย อันนี้ก็เป็นการละสมุทยัยละด้วยการปฏิบัติการปฏิบัติก็คือมรคนี่เองสิ่งที่เราปฏิบัติกันก็คือทานศีลภาวนากันทำทานแล้วเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทาบุญเราจะได้มีเวลาไปวัดได้แทนที่จะไปเที่ยวสามวันอาทิตย์หน้าก็ไปอยู่วัดแทนไปอยู่วัดแล้วก็ไปถือศีลแปดกันการถือศีลแปก็ไปลดไปละความอยากในกามนั่นเอง เพราะถือศีลแปดแล้วก็ไปร่วมหลับนอนกับใครไม่ได้ไปหาความสุขจากการเสพอาหารไม่ได้กินอาหารได้พอเพื่ออยู่แต่ไม่ได้กินเพื่อความสุขถ้ากินเพื่อความสุขต้องกินวันละหลายหลายหนหิวเมื่อไหร่อยากเมื่อไหร่ก็กินมานั้นแต่ถ้าเราถือศีลแปนี้เราจะอยากกินก็กินไม่ได้ถ้ามันหมดเวลากินนะแล้วก็ไม่ให้ไปเที่ยวไม่ให้ไปดูหนังฟังเพลงให้อยู่วัด ให้ไปอยู่เปรีกยนเว้กอยู่คนเดียวสํารวมตาหูจมูกนิ้นกายควบคุมตาหูจมูกไม่ให้ไปส่ายหาลูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสษในวัดนี้บางทีก็ยังมีรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เชื่อไหมมาอยู่ปฏิบัติแล้วเดียวบางทีก็อดที่อยากจะไปคุยคนนั้นอดที่จะไปคุยกับ น, นี้ไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมันเหงามันอยู่กับความว่างไม่ได้มันต้องมีรูปเสียงของคนนั้นมาเสดไปคุยกับเขาไปทา ไปคุยไปสนทนาไปทำความรู้จักหรืออาจจะไปทำกิจกรรมร่วมกันไปดื่มน้ำชากาแฟอะไรกันอันนี้ก็ไม่ได้ถ้าไปถ้าไปละการมาตัญหาต้องไม่ไปยุ่งกับใครเลยไม่ไปคุกคีกับใครเก็บตัวไว้แล้วก็คอยควบคุมใจไม่ให้มันสายไปตามความอยากต่างๆด้วยสติแล้วก็ทำใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิ พอจิตนั่งสมาธิได้จิตสงบปั๊บความอยากคือกา ร, รมาตัณหานี้มันจะระงับไว้มันจะหยุดทำงานชั่วคราวแล้วตอนนั้นเราจะได้สัมผัสกับความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อนที่ดีกว่าความสุขที่เราเคยเสกจากรูปเสียงกลิ่นรสนั่นก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจอย่างที่พูะเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุข อื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีใครได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วจะติดใจและจะทำให้เลิกให้ละการมารตัณหาได้อย่างง่ายได้ด้วยการเจริญปัญญาต่อเวลาเกิดความอยากจะเสพรูปเสียงกลื่นแล้วก็บอกอะเสพนั้นมันเท่ากับเป็นการสร้างสมุสทยัยเป็นการสร้างภพสร้างชาติสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นให้เวียนว่าตายเกิดยาวขึ้นไปเรื่อย ถ้าไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องหยุดมันอย่าไปทำมันอันนี้ใช้ปัญญาพอจะปัญญาวิเคราะห์เห็นโทษของกามาตนะหาแล้วทีนี้ก็ไม่กล้าเสบรูปเสียงกลิ่นลดอีกต่อไปก็สามารถตัดกามมาพบได้แต่ก็จะไปติดในรูปะพบอรูปะพบต่อเพราะว่าไปเสพไปเสพความสงบแทน ความสงบที่ได้จากรูปฌปานกับอรูปฌปานก็ยังเป็นไตลักษ์อยู่เป็นของไม่เที่ยงอยู่เมื่อรู้ว่าถ้ายังเสพยังติดอยู่เวลาไม่ได้เข้าฌานก็จะมีความหงุดหงิดไม่มีความสุขก็จะต้องเข้าฌานอยู่เรื่อยๆก็ยังติดฌานอยู่ก็ต้องเลิกการติดฌานไปไม่ต้องเสพรูปฌปานอารูปฌปานอยู่แบบไม่ต้องเสพอะไรแล้วจะพบกับความสุขที่ดีกว่า เป็ความสุขที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากกา ร, การมาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวะตัญหาอันนี้ก็จะเป็นความสุขของพระนิพพานขึ้นมาผู้ใดที่สามารถละตัญหาทั้งสามได้ด้วยมรรคมรรคก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนาอันนี้เป็นเครื่องมือถ้ามีมรรคแล้วก็จะทําทให้นิโรธเกิดขึ้นได้เพราะนิโรธเกิดจากการละสมุทยัย สิ่งที่จะละสมุทัยได้ก็คือมรรคสิ่งที่จะทําให้เราไม่ลืมไม่ลืมทุกข์ไม่ลืมมารยาศาสตร์ข้อที่หนึ่งก็คือมรรคนี่คือการเจริญปัญญาการพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเป็นความทุกข์อย่างยิ่งถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายไม่อยากจะทุกข์ก็จงอย่ากลัมาเกิด และการจะไม่กลับมาเกิดได้ก็ต้องละต้นเหตุของการพาให้มาเกิดต้นเหตุก็คือการมาตันหาภาว่ตันหาวิภาวะตันหานี่เองและการจะละได้ก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือก็คือมรรคนี่เองมรรกก็คือทานศีลภาวนาถ้าเรามีทานศีลภาวนาเราก็จะกําจัดสมุทัยได้ สมุทัยละสมุทัยได้จิตก็จะได้นิโรธคือความหมดทุกข์ความสิ้นทุกข์เนี่ยจิตนริยศาสตร์สี่ยังมีสี่ข้อแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับข้อที่สี่เป็นหลักข้อที่สี่เนี่ยเป็นตัวที่จะทํากิตนาลยศาสตร์สี่ให้สมบูรณ์จิตข้อที่หนึ่งคือทุกเราจะต้องกําหนดรู้คือต้องศึกษาให้ท่องแท้และให้เข้าใจและไม่หลงลืม ให้รู้ว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์การแก่การเจ็บการตายนี้เป็นทุกข์แล้วก็ละต้นเหตุที่พาให้เรามาเกิดกันกิจข้อที่สองคื อ, คอละสมุทัยสมุทัยต้องละละกามตัหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาด้วยการปฏิบัติทานสิงสมาธิปัญญานี่ถ้าละได้ก็จะเกิดนิโรดนิโรดก็คือกิจข้อที่สานิโรธต้องทำให้แจ้งต้องทาให้ปรากฏขึ้นมา การที่จะทำให้นิโรธปรากฏขึ้นมาได้ก็ต้องละสมุ ท, ทยัยนี่ละสมุทัยด้วยทานศีลภาวนาหรือด้วยศีลสมาธิปัญญ า, าการที่จะละได้เราก็ต้องมีทานศีลภาวนาเราต้องสร้างทานศีลภาวนาหรือสติหรือสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นในใจของเราให้ได้ก็คือข้อที่สมรรคต้องเจริญให้มากมรรคต้องเจริญให้สมบูรณ์ เราต้องมาสร้างมารรคกันเพาราะมรรคนี่แหละจะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราทำกิจในอริยสัจสีได้ทั้งอีกสามข้อถ้าเรามีมรรคสมบูรณ์แล้วเราก็จะกาหนดรู้ทุกได้ตลอดเวลาเราจะไม่ลืมความทุกข์ยังเด็ดขาดเรารู้ว่าการเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นทุกข์แล้วเราก็รู้สาเหตุของความทุกข์ว่าคือสมุทยัยความอยากความอยากในการอยากในรูประพบในอยา ก, กรปรูปะพบ แล้วก็คอยละมันคอยฝืนมันอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็ละมันพอละรูปเสียงกลิ่นรสได้ไปเสพรูปประชานก็ละมันไปเสพอารูปประชานก็ละมันตามลําดับต่อไปเราต้องละมันให้ได้สมุทยัยจะละได้ก็ต้องละด้วยมรรคพอละสมุทัยได้เราก็จะทํากิจข้อที่สมให้สมบูรณิโรธก็ปรากฏขึ้นมานิโรธทําให้แจ้งกิจในอริยาาสัจสี่ข้อที่สาคือทํานิโรธ คือการสิ้นทุกข์ให้ปรากฏขึ้นมาในใจเช่นไฟไหม้นี้จะต้องทำให้มันดับให้ได้ดับไฟให้ได้ฉันใดความทุกข์ก็เป็นเหมือนไฟที่ไหม้ใจเราเราต้องดับไฟที่ไหม้ใจของเราให้ได้พอเราดับไฟที่มันไหม้ในใจเราให้หมดไปเราก็ได้นิโรดคือการดับของความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปการที่เราจะทำได้เราก็ต้องมีมรรคนี้เอง มักเราถึงต้องมาถ้าเรายังไม่มีมรรคเราก็ต้องมาเจริญกันมาสร้างกันขึ้นมาสร้างเครื่องมือนี้สร้างทานสร้างศีลสร้างสมาธิปัญญากันถ้าเรามีทานมีศีลสมาธิปัญญาเราก็จะสามารถละสมุทัยได้หมดเมื่อละสมุทัยได้หมดเราก็จะทำให้นิโรธคือความดับทุกข์แจ้งขึ้นมาปรากฏขึ้นมาเต็มร้อยนั่นเอง นี่คือเรื่องของอริยสัจสีมีอยู่สองระดับด้วยกันเบื้องต้นคือการศึกษาเรียนรู้ว่าอริยสัจแต่ละข้อนี้คืออะไรทุกข์คืออะไรทุกข์คือการเกิดแก่เจ็บตายข้อที่ 2, สองสมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์คืออะไรต้นเหตุของความทุกข์ก็คือการมตันหาภาวตันหาวิภาวะตันห า, วะวะนหาความอยากเสพเลืกเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ข้อที่สนิโรธคืออะไรนิโรธก็คือการหมดของความทุกข์ทุกข์หมดไปจากใจเรียกว่านิโรธการที่จะทำให้ทุกข์หมดไปจากใจก็ต้องมีมรรคเป็นเครื่องมือมรรคก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนาเมื่อเรารู้แล้วว่าอริยสัจสี่สีข้อมีอะไรบ้างแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเราก็ต้องมาทำกัน พิธี่ทรก็คือมาสร้างมรรคก่อนมาสร้างเครื่องมือก่อนสร้างทานสร้างศีลสร้างสมาธิปัญญาก่อนถ้าเราสร้างได้แล้วเราก็สามารถที่จะไปกาหนดทุกได้รู้ทุกได้ตลอดเวลาถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะไม่ลืมเรื่องของความทุกเราจะไม่ลืมว่าทุกนี้เกิดจากเกิดจากการความอยากต่างๆแล้วเราก็จะรู้ว่าความอยากต่างๆนี้เราต้องละมันเราก็จะมาละความอยาก พอลาความอยากได้หมดนิโรธก็ปรากฏขึ้นมาเต็มหัวใจคือนิโรธนี้ไม่ปรากฏขึ้นมาทันทีเต็มดวงนะมันก็ดับเป็นขั้นๆไปมีอยู่สี่ขั้นดยกันขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกิรดาคามีขั้นพระอนาคามีและขั้นพระอรหันเนี่ยสามขั้นแรกนี้ยังดับความทุกข์ไม่หมดต้องถึงขั้นที่สี่คือขั้นพระอรหันความทุกข์ก็จะหมดไปจากใจ พระโสดาบันก็อาจจะดับไปได้25เปเต์พระสะกิราคาคืออีก50ซพระอนาคาค็ดสิาเ็นตพระอรหันต์ก็ดับได้ร้อยเปซดับด้วยอะไรก็ดับด้วยมครรคคือทานศีลภาวนาหรือศีลหรือศีลสมาธิปัญญานี้นี่คือมรรคที่พวกเราต้องมาเจริญกันมาศึกษากันให้รู้ว่าเราจะสร้างมรรคกันได้ยังไง ทานก็ให้เราเอาเงินที่เราจะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เอามาทำบุญให้หมดเลือกเที่ยวเลิกกินเลือกดื่มกันเลือกไปเที่ยวผับทเที่ยวบาร์กันแล้วก็ไปตายในผับในบาร์กันไม่มีโอกาสที่จะไปดูดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้โอกาสที่จะได้มาปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้งนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายเพราะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องมีพระพุทธศาสนามาบอก สอนมาบอกทางให้กับพวกเราถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็ไม่รู้จะไปทางไหนยุคนี้เป็นยุคที่ประเสริฐที่สุดวิเศษที่สุดเพราะเรามาเกิดเป็นมนุษย์ที่สามารถปฏิบัติทำตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้แล้วเรามีคําสอนคอยบอกให้เราว่าให้เราปฏิบัติอะไรกันอย่างอย่าไปเสียเวลากับการไปหาความสุขทางอื่นเลยรีบเอาเวลามาสร้างมรรคคือกันดีกว่า มาสร้างทานมาสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญากันแล้วเราจะได้ละสมุทยัยต้นเหตุที่พาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันดับความทุกข์ต่างๆทำให้ความความดับทุกข์ปรากฏเต็มหัวใจของพวกเราเมื่อความดับทุกข์หมดไปใจไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยใจก็เป็นนิพพานขึ้นมาเราเรียกว่าใจนีิคือนิพพานใจที่ต้องไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป นี่คือเรื่องราวของศาสนาพุทธที่ไม่มีอยู่ในศาสนาอื่นก็คืออริยสัจสี่เรื่องราวของอริยสัจสี่และกิจในของอริยสัจสี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราทุกคนควรที่จะศึกษาและควรที่จะปฏิบัติให้ได้เพราะถ้าเราสามารถศึกษาและปฏิบัติได้แล้วเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์กันอย่างแน่นอนไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไป การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเิวาหาปูราปาริปุเรนติสาคขลงเอวเมวะอิตโตทินัางเปตานังอุ ป, ปกปฏิอิชิตังปะทิตังตุมหังกิปเมวะสมิจโตสัพเทปุเรนตุสังกปา จันโทปะนาฬโสยธามะนิโชติปะโสยธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโวินัสตุมัเตภวะกันตาลยโสุขิธีขายุโกภะอธิวาธานสีลิสานิจังวุธาปจายโน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 พามีกิจกรรมใยางอ่นอต้องทำต่อท่านใดอยากจะถามอะไรนี่ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้าจะาเข้ามาถามเองก็ได้มีไมโครโฟนให้ท่านได้พูดหรือถ้าอยากจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีเฟซหรือมี u t u b e ก็ส่งข้อความผ่านทางเฟซทาง YouTube ก็มาได้ทำไมนี่มีการติดต่อได้หลายทางด้วยกัน วันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่กลาบนรรมสการคะอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ผู้รับชมทางเฟ e บุ๊กมี608ท่านเจ้าค่ะ YouTube 252ท่านท่านอก c ตอร์วีชาแนล108ท่านวิทยุออนไลน์5ท่านครับ House, เท้า11ท่านคะแล้วก็นากุติมี119ท่านรวมทั้งหมด มีหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามพันเจ้าค่ะโอเคถ้ามีคำถามก็เชิญอ่านได้เลยมีคำถามจากหน้ากุติเจ้าค่ะต้องทำสมาธิถึงระดับไหนจึงจะอยู่ในเส้นทางของมรรคก็ท่านรูปฌปานสี่ถึงจะได้อุบเบกขาเพราะสิ่งที่เราต้องการเพื่อใจวางเฉยให้ได้ วางเฉยต่อความเยื่อโยนต่างๆของรูปเสียงกลิ่นเร า, า, าเห็นรูปเสียงกลิ่นราแล้วถ้าไม่มีอุเบกขามันจะอดลักกดช้งไม่ได้มันจะเกิดความอยากขึ้นมาแต่ถ้าเรามีอุเบกขาแล้วเวลาเห็นรูปเสียงกลิ่นรสก็จะเฉยๆได้แล้วถ้าใช้ปัญญาพิจารณาก็จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็จะไม่อยากเสกได้คาถามต่อไปจากคุณแคท กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอาการกราบเรียนถามค่ะการทรงอารมณ์ฌานและการทรงสมาธิเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะเดียวกันน่ยสมาธิกับฌานก็เหมือนกันสมาธินี่เป็นคํารวมฌานเป็นระดับของสมาธิรูปฌานหนึ่งสาสนี่ก็เป็นระดับของสมาธิถึงระดับอะิรโรสมาบัต มีก้ระดดัับวยนคำถามต่อไปจากคุณจรัญญาตอนเช้าโยมซักผ้าและตากผ้าก็คิดออกมาว่าเดี๋ยวเราก็จากเสื้อผ้าเหล่านี้นะและก็คิดขยายออกไปว่าเราจะต้องจากทุกๆสิ่งทุกๆอย่างบนโลกนี้จากทุกๆคนทุกสิ่งของ ก็ทําใจสบายสบายได้ค่ะโยมจะพิจารณาอย่างนี้ทุกวันได้ไหมคะกราบขอบพระคุณค่ะได้ควรพิจารณากับทุกสิ่งทุกอย่างเลยแม้แต่ร่างกายของเราก็ต้องจากกันไม่ว่าจะหรือร่างกายของคนที่เราอยู่ด้วยวันใดวันหนึ่งก็ต้องมีการจากกันเป็นธรรมดามีการพัดผ่าจากกันเป็นธรรมดาที่จืดเรื่ยแล้วก็ดูซิว่าใจรู้สึกเศร้ารู้จักเสียใจหรือเปล่า ถ้ายัางเศร้ายัางเสียใจอยู่ก็แสดงว่ายังไม่อยากจากกันก็ต้องทําสมาธิทําให้จิตนิ่งให้เป็นอุเบกขาให้มากขึ้นถ้าใจมีอุเบกขาแล้วใจจะเฉยได้เวลาจะพัดภาคจากกันก็จะเฉยเฉยไม่รู้สึกเศร้าไม่รู้สึกทุกข์การปฏิบัตินี้เราไม่ได้มา <c oughs> ไม่ได้มาห้ามความพัดภาคจากกันเรามาห้ามใจเราไม่ให้เสียใจไปกับ ก, บการพัดภาคจากกัน เพราะความเสียใจเป็นความทุกข์อย่างมากนี่ <c oughs> คำถามต่อไปถ้าโลกกระทาคือความปรุงแต่งแล้วบุญบาปคืออะไรครับชะไหนคิดอะไรทำอะไรเคลื่อนใจไปทางใดมีแต่ความสุขร่มเย็นดังน้ำพุน้ำตกเหมือนฟ้าผ่าเป็นฐานรองรับหล่อเลี้ยงเช่นนี้จะติดหลงสิ่งใดสภาวะใดใหม่ครับ ก็หลงกับความคิดนั่นแหละไม่หลงกับอะไรต้องไม่คิดเลยดีกว่าให้มันว่างจะดีที่สุดมีคำถามพระอาจารย์ my name is เ a ล่ um I'll speak in English where are you from I'm from Singapore okay I have just one q u e s t i o n about my personal practice okay so um So my current practice, I feel that my practice is not progressing. I'm stagnant. So uh, currently, I meditate about 15 minutes per per day, or sometimes 30 minutes. So before the birth of my second child, I could meditate uh, an hour or an hour uh, an hour 15 minutes a day. So because of my schedule, I find time to be quite tight. But my current state is that. Uh, my chitta knows that if there's a d e f i l e m e n t uh, uh, there's a kilesa arising. I know that. Uh, I feel that I have practiced a bit that my pan, I, I have the panya to, to know kilesa is rising. And in the past, I would try to control that, but after a while, I try not to agitate my chitta. And this is just my current state of practice. So my question is. <coughs> Or oh, as a lay follower, or oh, what should I look? What, oh, how how can I improve my practice? Well, first of all, if you know your defilement, you have to stop it. If you want to, you know, if you have greed, hate, or delusion, then you have to stop it. If you cannot stop it, it means you don't have enough mindfulness. So you have to increase your mindfulness and increase your meditation. To establish more equanimity, of b h a a so you need to develop a lot of mindfulness, which you can do in your daily life by focusing on what you do from the time you get up to the time you go to sleep. Try to focus on your body, whatever you do, whether you are brushing your teeth, taking a shower, dressing, eating. Walking, doing anything that don't need any, don't e any thinking, then you should stop thinking, by just keep watching what you do. Until you have to think about your work, then you then have to focus on your work and think. But the goal is not to think, because when you think, your mind can become agitated and restless. But sometimes when you still work, you have to think with your work. But when you don't have to think, then you should stop it. But just keep watching what you do. And then on weekend, when on the days you don't have to work, then you should devote these days for total practice. Don't do any other thing but practice mindfulness and meditation. If you can do this, then you will be able to increase your mindfulness, and consequently your equanimity. And then when you feel your defilement, then you can stop it. Okay. Yeah. okay. All right. So far, and I've been practicing even when I'm, I'm resting, lying down, putting my daughter to sleep. Whenever there's time, I will go, h o go, go. Yes. So, but I still feel that I'm not progressing in my practice because it's not continuous yet. y you know? o oh. u h a v e to make your mindfulness continuous. And then you have to meditate. Then you then you can see whether you are advancing or not. If you can meditate and get calm easily and quickly and stay in calm for a long time, then you are advancing. Okay. Ah, ตาไปค่ะมีคาถามจากคุณจันทราค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเป็นผู้หญิง ฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ในเพศพรมอาจา ร, รย์อยู่บ้านบรรลุธรรมได้ไหมคะกราบสาธุค่ะได้จิตไม่มีเทสนะจิตก็เป็นผู้รู้ผู้คิดผู้มีความโลภโกรธหลงถ้ากาจัดความโลภโกดหลงในจิตได้ก็บรรลุได้ต้องมีมรรคก็คือมีทานศีลภาวนาถ้ามีทานศีลภาวนาไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นพระหรือเป็นผู้ครองเรือนก็ สามารถบรรลุทามได้ด้วยกันทุกคนคำถามตอบไปจากคุณนรงชัยกราบนรรมสการครับพระอาจารย์กราบถามว่าการตัดตัญหาเป็นการตัดแบบค่อยฝืนตัดไปเรื่อยๆจนหมดไปเองหรือเกิดยานเป็นปัญญาตัดกิเลสไปได้ครับการตัดปัญหาก็คืออย่าไปสร้างปัญหา ถ้าไม่สร้างปัญหาก็ไม่ต้องไปตัดไปแก้ปัญหาตา่ตางๆวิธีที่จะไม่สร้างปัญหาก็คืออย่าไปโลภอย่าไปอยากความโลภความอยากมันท้ายเราไปเจอปัญหาต่างๆอยากได้นูน่นอยากได้นี่มันก็มีอุปสรรคก็เป็นปัญหาขึ้นถ้าเราตัดความโลภความอยากได้มันก็ไม่มีอุปสรรคต้องแก้แต่ปัญหาที่แท้จริงก็คือความโลภความอยากนี่ที่เราจะต้องมาแก้มาแก้ด้วยการปฏิบัติธรรม าาานนภวน ม, มีคำถามจากผู้รับฟังหน้ากุตินะคะกรบนามัสการพระอาจารย์ <c oughs> เลี้ยงหมูไว้คุณหมอแนะนำให้ทำหมันแต่ไม่ทราบว่าจะเป็นบาปไหมคะรบกวนถามพระอาจารย์เจ้าคะ่ะไม่บาปหรอกเพราะเราไม่ได้ไปฆ่าเขาการทำบาปเพียงแต่เป็นการป้องกันไม่ให้เขาตั้งท้องค่ะ คำถามจากคุณคณ า, ากรหลวงพ่อครับผมนั่งสมาธิมาร่วมได้แปดปีแล้วครับแต่ยังเข้าสมาธิผมควรปฏิบัติอย่างไรครับยังชอบสมาธิหลวงพ่อครับผมนั่งสมาธิมาร่วมได้8ดปีแล้วครับแต่ยังเข้าสมาธิผมควรปฏิบัติอย่างไรครับ อาจจะหมายถึงว่ายังไม่เข้าสมาธิไม่ได้ก็สติเรามันน้อยไปต้องมันฝึกสติให้มากก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเราควรฝึกสติตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธพุทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารก็พุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าเรามีสติมากขึ้นเวลานั่งก็จะเข้าสมาธิได้ ตอนนี้ใจเรายังเวลานั่งสมาธิยังไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้อยู่ไม่อยู่กับพุโทโธถ้านั่งแล้วอยู่กับพุโทโธเรื่องเดียวห้านาทีสิบนาทีมันก็เข้าสมาธิได้คะคำถามต่อไปกราบสอบถามค่ะถ้าถือศีลห้าแต่ปฏิบัติธรรมทุกวันไม่เคยขาดโอกาสจะบรรลุธรรมได้ไหมจ๊ะก็ได้ทั้งนั้นแหะถ้ามันมี มีสมาธิมีปัญญามันก็บรรู้ได้เสียงเป็นเพียงแต่เครื่องสนับสนุนแต่ตัวที่จะทำให้เราบรรลุธรรมก็คือสมาธิกับปัญญาคำถามต่อไปกราดรรมมาสการถามว่าเมื่อนั่งสมาธิจิตสงบไม่นาน ก็จะพิจารณาข้อธรรมขึ้นมาเองหากต้องการให้จิตอยู่ในความสงบนิ่งให้นานจะมีวิธีอย่างไรครับก็บต้องพุโทโธต่อไปถ้าเราใช้พุโทโธเวลาเข้าสมาธิหรือถ้าเราดูลมก็กลับมาดูลมอย่าไปปล่อยให้จิตอยู่เฉยๆถ้าอยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะเริ่มคิดเรื่องนัน้เรื่องนี้ขึ้นมาเน้นถ้าเราใช้พุโทโธก็ใช้พุโทโธต่อไปถ้าเราดูลมก็จะดูลมต่อไป นะมันก็จะหยุดคิดได้คำถามต่อไปจากปะปะอุ้มจะค่ะ กราบเรียนถามพระอาจารย์เวลากิเลสโหน้าขณะใช้ชีวิตประจาวันที่ต้องพบปะผู้คนมากมายแล้วใช้สติจากการดูลมให้เกิดสมาธิให้รู้ว่านี่คือกิเลสแล้วใช้ปัญญาสอนใจว่าจะไม่ทำให้ใจเกิดเศร้าหมองอีกอย่างีใช้ได้หรือไม่ครับก็อยู่ที่ว่าทำได้หรือไม่ได้ถ้าทำให้ใจไม่เศร้าหมองได้ก็ใช้ได้ <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณจิรารัตน์บุญเวทในการปฏิบัติสมาธิเราสามารถปรับเปลี่ยนเครื่องมือไปได้เรื่อยๆเพื่อให้จิตไม่คิดจดจ่อกับพุโทโธไม่ถือว่าสมาธิสั้นเนื่องจากเปลี่ยนเทคนิคบ่อยๆใช่ไหมคะก็แล้วแต่เปลี่ยนแล้วมันสงบได้ก็ใช้ได้ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่สงบ ม, มันก็อาจจะเพราะเปลี่ยนมากไปหรือเปล่า ควรจะเอาวิธีใดวิธีหนึ่งไปเรื่อยๆก่อนอย่าแบบขีม่ม้าแล้วก็กระโดดเปลี่ยนมา้าอยู่กลางทางไปแข่งกับเขาก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเอาเกาะติดกับม้าตัวเดียวเนะี่ะเพราะฉะนั้นเวลาใช้พุโทโธก็ลอใช้พุโทโธไปทั้งวันดูก่อนถ้าไม่ได้ผลพุ่งนี้เอาเปลี่ยนเป็นยุบหนอพองหนอเลยก็ว่าไปอย่าไปเปลี่ยนแบบนั่งไม่ห้านาทีก็เปลี่ยนสิบนาทีก็เปลี่ยนถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้เรื่อง คำถามจากคุณเอกชัยการไปตกปลาแล้วเอามาแบ่งปันให้ผู้ยากไร้หรือญาติโดยที่เราไม่ได้ฆ่าปลาจะบาปไหมครับถ้าเราไม่ฆ่าก็ไม่บาปแต่เราก็มีส่วนมาสนับสนุนให้ขฆ่าเพราะเราให้เขาไปล้วเขาก็ต้องฆ่าก็ไม่ควรทำอันนี้โยงถาม กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะพูดใกล้ๆห น, น่อยกับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ ะ, ะ, ะดิฉันไม่ได้จากบ้านเกิดเมืองนอนมาเกือบ40ปีแล้วเจ้าค่ ะ, ะสนใจเกี่ยวกับพุทธศาสนามานานมากโดยการฟังทาง อ, อินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำบ้านให้เป็นวัดเมื่อก่อนนี้ก็ปฏิบัติธรรม ตามวัดที่เมืองไทยแล้วก็หลังจากนั้นก็มาทางสายสงปูชาโดยมีมีวัดรงปูชาอยู่ใกล้ๆบ้านาคำถามก็คือว่าพระอาจารย์พูดประจำบ่อยๆเรื่องการนั่งสมาธิดิฉันไม่ได้นั่งสมาธิบ่อยแต่ว่าใช้วิธี ปฏิบัติธรรมโดยการพิจารณาอ่าอาทิเช่นเวลาไปที่อื่นก็พิจารณาจากคนรอบข้างแล้วก็คิดว่าตัวเองเอคิดถึงความตายอยู่บ่อยๆ บ, บ่อยมากบ่อยแต่ไม่ได้ไม่ได้คิดถึงความตายแบบว่าร่างกายนอกเปื่อยผุพังแต่ว่าคิดว่า บางครั้งนี่มองผู้คนเหมือนกับเหมือนกับพับลงตาเจ้าค่ะเหมือนกับอา่อาไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เหมือนเหมือนของปลอมอะค่ะพระอาจารย์ยังไม่ทราบจะอธิบายยังไงได้แต่เมื่อก่อนเคยนั่งสมาธิเป็นประจำอาแล้วก็ติดสมถะมาก ก็เลยหยุดการนั่งสมาธิแล้วก็ทำเป็นการพิจารณาแทนทีนี้คำถามของดิฉันก็คือว่าพระอาจารย์พูดไปบ่อยเกี่ยวกับ น, นานนั่งสมาธินั่งสมาธิดิฉันไม่ได้นั่งสมาธิแต่ว่าใช้การปฏิบัติธรรมโดยการพิจารณาธรรมพิจารณาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกเรียนอ่านแล้วก็ฟังมาจบเล่มพุทธธรรมของ ท่านถามคำถามดีกว่าโน้ตไมถามอะไะคือคืนถามก็คือว่าการนั่งสมาธิเนี่ยมีความจำเป็นขนาดไหนซึ่งดิฉันเองอ่ะไม่ได้นั่งสมาธิเหมือนที่พระอาจารย์กราบเรียนบอกทุกๆคนมันก็เหมือนมือซ้ายมือขวาเนี่ยจำเป็นไหมมือซ้ายกับมือขวาต้องมีทั้งสองมือหรือมีมือเดียวเนี่ยเวลาทางานต้องใช้สองมือปะ ไม่เข้าใจคําตอบไม่เข้าใจคําถามค่ะคุณมีกี่กี่มือมีสองมือคุณใช้มือเดียวสองมือนะเจะตอนนี้มือเดียวมือเดียวใช้ได้เลยก็ไม่ถือไมโครโฟนไม่แต่เวลาอื่นเนี่ยเวลาคุณใช้ทํางานอะไรต่างๆคุณใช้มือเดียวก็้วสองมือ ก็มือเดียวก็มีสองมือก็มีค่ะอย่ยมไม่เข้าใจก็ต้องใช้สองมือด้วยใช่ไหมบางอย่างก็ต้องบางครั้งก็สองบางครั้งก็หนึ่งบางครั้งก็ไม่ได้ใช้เลยอ่ใช่แต่มันต้องมีทั้งสองมือใช่ไหมถ้าถ้าใช้มือเดียวขออีกมือหนึ่งตัดออกไปได้ไหมเราเกิดมามีสองมือใช่ไม่เกี่ยวกับันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับเกิดแกี่วกเรื่องการใช้เนี่ยคุณบอกถ้าคุณใช้มือเดียวได้อีกมือนึงขอตัดทิ้งไปแล้วนะแล้วจะตัดทําไมอ่ะก็ตัดเนี่จะได้พิสูจน์ว่าคุณสามารถใช้มือเดียวได้ไง แล้วคุณจะเห็นความต่างของเรามีสองมือก่อนอย่างมือว่าอย่างไรจะมีประโยชน์กอดกันถ้าคุณแค่นี้มองไม่เห็นก็ไม่รู้จะอธิบายเรื่องสมาธิกับปัญญาให้คุณทราบได้อย่างไรเพราะสมาธิกับปัญญาเหมือนมือสองมือไงสมาธิเป็นมือหนึ่งปัญญาเป็นอีกมือหนึ่งมันสองกันช่วยกันสองหัวดีกว่าหัวเดียวไม่ใช่เหรอแต่เรามีหัวเดียว ครับการผลนี้ก็ไม่มีวันจบแล้วครับคือพระอาจารย์ยังไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่ดูมีนะคุณไม่ยอมรับความจริงว่าสมาธิมีความจําเป็นคุณก็ยามจะหลีกเลี่ยงไปอเรื่อยๆพระอาจารย์ถึงทํารมน์ต้องสอนสมาธิด้วยอย่าก็สอนปัญญาอย่างเดียวเลยแล้วคุณได้ผลนื่อาจากการใช้ปัญญาอย่างเดียวมาจนถึงปัจจุบันนี้คุณได้อะไรบ้างจากการใช้ปัญญาอย่างเดียว ได้คือคือไม่ได้เจ้าค่ะฮะ<า>ไม่ได้มีไม่ได้อยากได้ไม่มีความอยากได้อะไรทิโอเคถ้าไม่อยากได้ก็โอเคก็จบแล้วแล้วนต้องมาถามอะไรนะเยอะไหมเมื่อคนไม่มีปัญญาไม่มีความอยากได้ก็จบแล้วการปฏิบัติเพื่อลาความอยากทั้งหมดนั่นเองเจ้าค่ะขอบคุณมาก <หา S 2> เ, เจ้าค่ะโอะคถามาต่อไป คำถามต่อไปจากคุณมีชยัยกราบถามพระอาจารย์ครับการเจริญปัญญานี้ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับมองอยู่เรื่อยๆหรือมองเป็นเวลาครับสาธุครับเพื่อเวลาที่ไม่อยู่ในสมาธิก็ควรพิจารณาปัญญาแต่ควรทําทั้งสองอย่างสลับกันเวลาทําสมาธิก็ไม่พิจารณาปัญญาเวลาพิจารณาปัญญาก็ต้องออกจากสมาธิก่อนแล้วค่อยพิจารณา ต้องทำสองอย่างเพราะมันทําหน้าที่ต่างกันปัญญาเป็นทําหน้าที่ทํางานสมาธิทําหน้าที่พักผ่อนร่างกายนี้ก็ต้องพักผ่อนหลับนอนกลับบ้านกินข้าวหลับนอนพอตอนเช้าตื่นขึ้นมามีกําลังก็ออกไปทํางานใจก็เหมือนกันใจก็ต้องมีการพักผ่อนพักผ่อนในสมาธิเพื่อจะได้มีกําลัง พอออกจากสมาธิมาก็ไปทํางานทางวิปัสสนาทางปัญญาต่อไปพิจารณาต่อไปใจก็จะสามารถละความอยากต่างๆได้แต่ถ้ามีแต่ทํางานอย่างเดียวไม่มีการพับผ่อนมันไม่มีเลื่อวมีแรงใจพิจารณากับปัญญากต่ไม่มีกําลังไปตัดกิเลสได้ตัดความโลภความอยากต่างๆได้คําถามต่อไปจากคุณสิทธิโชค การนั่งสมาธิแล้วเกิดตัวโยกโครงถือถือว่ายังถือเป็นสภาวะธรรมหรือไม่ครับหรือควรปฏิบัติปรับวิธีการ อ, อย่างไรถือว่า ไ, <ห>ไม่มีสติครถ้ามีสติไม่โยกเ่ะอยวางเรานั่งตอนนี้เราไม่โยก <S <S ใช่มหมยพราะเรามีสติเรารู้สึกตัวตลอดเวลาเวลานั่งสมาธิก็ต้องรู้สึกตัวเหมือนตอนที่เราไม่ได้นั่งถ้านั่งแล้วเคลมเนี่ยมันก็ฮคลิ้มไปเคล้มมาแสดงว่าสติไม่มีลนะ ต้องรีบปลุกสติกับคืนขึ้นมาใหม่ปลุกพุทโธพุทโธพุทโธกับคืนขึ้นมาใหม่หรือดูลมหายใจท่อต่ อ, อไปอย่านั่งเฉยเฉยนั่งเฉยเฉยไม่มีสติมันก็จะโยกไปโยกมาได้ มีคำถามพี่กฝจะมาลเดี๋ยวคถามหมดแล้วก็วค่ะถ้าหมดแล้วก็คิดว่ากลับบ้านกันได้ปานะเดี๋ยวก่อนที่ขอเชิญจะ <c oughs> จะบก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิชพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุ